วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบปดพฤศภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อ ประโยชน์สุขของจิตใจเป็นหลักเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ <c oughs> ที่จะมีความสำคัญเท่ากับจิตใจของพวกเราทุกคนเพราะจิตใจนี้เป็นของที่ไม่มีวันตายเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับเราไป ทุกแห่งทุกคนทุกพบทุกชาติน่างกายของพวกเราและทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่พวกเรามีครอบครองกันอยู่ล้วนเป็นของชั่วคราวเพราะเป็นของที่อยู่ภายใต้กฎของตายลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้จังก็คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอน<ม>จะอยู่กับเราไปได้นานหรือไม่นาน<ม>ก็ไม่มีใครรู้<ม>สามารถที่จะเปลี่ยนไปหรือหมดไปได้ทุกเวลานาทีเพราะมันเป็นอนันตามันเป็นของที่ เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราไปอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่มันไม่เป็นมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจในใจรักนี้ <c oughs> อยู่ที่ใจของพวกเรา ที่ไปทุกขกับของที่เป็นอนิจจังที่ของเป็นอนัตตาเช่นทรัพสมบัติข้าวของเงินทองหรือยศตำแหน่งต่างๆหรือรางวีรางวัลต่าง ๆ, ๆและความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะชนิดต่างๆสิ่งของเหล่านี้ รวนเป็นอนิจจัง อ, อนิจจังนี้แปลว่าเป็นของชื่วกราบเป็นสมบัติผัดกันชมเป็นของที่เราได้มาวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งเราก็จะต้องสูญเสียมันไปแต่เวลาเราได้มาเนื่องจากการที่เราไม่มีปัญญาไม่มี ความรู้ความจระในธรรมชาติของสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราว <c oughs> เป็นของที่วันใดวันหนึ่งอาจจะมีการพัดพรากจากเราไปก็ได้ <Yeah. S 1> เลยทำให้เรานิทุกข์ด้วยความหวงด้วยความหวงด้วยความเสียดาย เวลาที่สิ่งเหล่านี้ปรากฏความเป็นอนิจจังขึ้นมาคือความไม่แน่นอนความความสิ้นสุดอนิจจังนี้มีความหมายหลายอย่างด้วยกันคือเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เปลี่ยนได้จากของดีกลายเป็นของเสียได้ แล้วก็เป็นของที่มีวันสิ้นสุดมีวันดับสลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความความไม่แน่นอนความความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลง ของต di ok ่างๆที่เรามีเราได้มานับตั้งแต่สิ่งแรกสิ่งแรกที่เราได้มาคืออะไรก็คือร่างกายของพวกเราเราได้ร่างกายจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นเหมือนโรงงานผลิตร่างกายถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่นี้ร่างกายนี้จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ ต้องมีพ่อทาหน้าที่ร่วมผสมพันธุ์กับแม่เอาเชื้อของแพ่เชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มาผสมกัน <c oughs> พอมีการผสมพันธุ์ก็จะมีการเจริญเติบโตมีปฏิสนธิช่วงที่มีการเจริญเติบโตนี้เราคือดวงใจหรือดวงวิญญาณในขณะนั้น เรานี้ตายจากชาติก่อนร่างกายของเราที่เรามีเคยมีอยู่มันตายไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย<ม>เราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิด<ม>ผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดมไม่ได้ตายไปกับร่างกาย<ม>พอร่างกายตายไปใจนี้ก็จะอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณ ดวงวิ ญ, ญญาณที่มีความสุขหรือดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีร่างกายพอไม่มีร่างกายก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณดวงวิ ญ, ญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์หรือเทพ ต, ต่างๆเทพหรือพรมเทวดาอินพร กายทิพย์ที่มีความสุขส่วนถ้าทำบาปไว้ดวงวิญญาณมีแายความทุกข์ก็จะเรียกดวงวิญญาณเหล่านี้ว่าเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกอันนี้คือจิใจของพวกเราเป็นอย่างนี้ในช่วงที่ไม่มีร่างกาย เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปเราก็ยังอยู่ลองหลับตาดูสิลองหลับตาแล้วก็จะดูเราก็จะเห็นว่าตอนเราหลับตานีเราไม่เห็นร่างกายแล้วเหมือนกันเราไม่มีร่างกายแล้วเราอยู่ในสภาพแบบนั้นแหละสภาพเวลาที่เราหลับตาเวลาเราหลับตาหนีใจเราก็ กลายเป็นกายทิพย์ไปเพราะตอนนั้นเราไม่ได้มีร่างกายเราก็จะอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของเราถ้าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปในทางบาปก็จะมีความรู้สึกทุกข์รู้สึกเครียดรู้สึกวุ่นวายใจถ้าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปในทางบุญ ความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะทําทให้ใจเรานั้นมีแต่ความสุขอันนี้แหละคือสภาพของใจเราเวลาที่ไม่มีร่างกายมันก็จะอยู่ในสภาพของกายที่ไปเรื่อยๆแล้วก็นอกจากอยู่แบบนั้นแล้วใจยังมีอย่างอื่นที่คอยผลักดันใจให้ไปหาความสุขอยู่เรื่อยๆ ก็คือตัณหาความอยากใจของเรานี้ทุกคนไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีความอยากเรามีความอยากหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสผด ภ, ภพชนิดต่างๆอยากดูอยากฟังอยากไ ด, ากด้อยากริมรสอยากจมกลิ่นอยากสัมผัสกับสัมผัสที่มากระทบทางร่างกาย เวลาได้สัมผัสแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความอยาก <c oughs> นี้ก็เลยเป็นตัวคอยผลักดันให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่หลังจากที่อิทธิพลของบุญหรือบาปที่ทำให้ใจนี้อยู่ในสภาพสุขหรือทุกข์ใน ในสภาพของกายทิพในโลกทิพย์แล้วตัวความอยากนี้ก็จะคอยผักดันให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่แต่จะไปหาร่างกายหรือไปรับร่างกายอันใหม่ได้ต้องต้องรอช่วงที่ใจพ้นจากอิทธิพลของบุญหรือบาปถ้ายัาง ถ้าอิทธิพลของบุญยังมีอยู่ใจก็ยังจะต้องอยู่ในสภาพของกายทิพย์ที่มีความสุขที่เรียกว่าเทวดาอินพรหมต่างๆหรือถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของบาปใจก็จะอยู่ภายใต้ของอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เรียกว่าอสูรลกาย ดองวิญญาณที่เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านารกเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้สภาพนั้นไปก่อนจนกว่าอิทธิพลของบุญหรือของบาปนั้นได้หมดไปหมดกำลังไปความอยากจึงสามารถที่จะผลักดันให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คู่ใหม่ ก็จะแล้วแต่จังหวะเหมือนกับเวลาเราขับรถแล้วหาที่จอดรถเราบางทีก็ไม่รู้ว่าเราจะไปจอดรถที่ตรงไหนขับรถไปที่ศูนย์การค้าแล้วจะต้องจอดรถเราก็ขับไปในบริเวณที่จอดรถแล้วก็หาช่องถ้ามีช่องว่างที่ตรงไหนเราก็เสียบเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันเราก็โยงวิญญาณก็ คอยหาคู่หาพ่อแม่คู่ใหม่เราจังหวะที่พ่อแม่คู่ใหม่มีการผสมพันธ์กันแล้วเชื้อของพ่อของของแม่เริ่มติดกันเริ่มปรากฏเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นร่างกายขึ้นมาช่วงนั้นถ้าไม่มีดวงวิญญาณอื่นมามาเกาะเรามาเกาะได้ก่อนเราก็จะได้ร่างกายอันใหม่ขึ้นมาทันที ได้ในขณะที่เริ่มก่อก่อร่างสร้างตัวจึงทำให้มารดาเริ่มตั้งคันกันขึ้นมาการจะตั้งคันได้นี้มันต้องมีสมส่วนมาประกอบกันส่วนของบิดาส่วนของมารดาแล้วก็ส่วนของเราคือดวงวิญญาณของเราถ้าไม่มีสามส่วนนี้มาผสมกัน การตั้งครรภก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเวลามีการตั้งครรภนี่แสดงว่ามีมีร่างกายในท้องแม่แล้วแล้วก็มีดวงใจดวงวิญญาณที่มาครอบครองเป็นเจ้าของเราไปครอบครองร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาและอาศัยอยู่ในท้อง อาศัยให้ร่างกายอยู่ในท้องแม่ให้เจริญเติบโตในท้องแม่ขึ้นมาให้มีอาการครบ32ก่อนให้มี อ, อวัยวะทุกสั์ทุกส่วนสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีการสนับสนุนจากสายสะดือของแม่ในขณะที่อยู่ในท้องแม่นี้ ต้องอาศัยการให้อาหารการบำรุงรักษาจากมารดาแต่พอร่างกายเริ่มทำงานของมันเองได้แล้วเริ่มมีหัวใจเริ่มมีตับมีปอดทำอะไรของมันได้มันก็จ ะ, ะแยกตัวออกจากร่างกายของแม่ได้ <c oughs> อยู่ตามตามลำพังของมันได้หายใจเองได้ หัวใจเต้นเองได้ปอดทำงานเองได้อะไรทุกอย่างทำได้แต่ยังต้องอาศัยการเลี้ยงดูของของพ่อแม่เพราะว่ายังเป็นทารกอยู่ร่างกายที่เป็นทารกนี้ยังไม่สามารถที่จะบารุงรักษาร่างกายของตนเองได้ต้องอาศัยความเมตตาความรักของพ่อแม่ คอยเลี้ยงดูคอยให้อาหารคอยให้อะไรต่างๆคือให้ปัจจัยสี่ที่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายพ่าแม่ก็จะให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อได้เมื่อร่างกายของเรา ได้รับการสนับสนุนจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ร่างกายก็ค่อยๆโตขึ้นตามลำดับแล้วเราก็เริ่มหัดสอนให้ร่างกายทำอะไรของมันเองหัดให้ร่างกายเบื้องต้นก็ให้คลานก่อนให้ลุกขึ้นมานั่งให้คลานให้ยืนให้เดินให้ทำอะไรต่างๆ อันนี้เป็นท่านของการเป็นการเรียนเป็นการสอนร่างกายสอนใจสอนใจกับร่างกายให้รู้จักควบคุมบังคับร่างกายใจที่ได้ร่างกายมาก็เหมือนกับคนที่ได้รถยนต์คันใหม่มาก่อนที่จะขับรถยนต์คันใหม่ได้ก็ต้องหัดขับก่อนถ้าไม่เคยขับรถก็ต้องหัดขับก่อน วิธีที่สตาร์ทรถทำอย่างไรวิธีที่จะทําให้รถวิ่งไปข้างหน้าทำอย่างไรให้ถอยหลังทำอย่างไรให้หยุดทำอย่างไรใจก็เหมือนกันใจพอได้ร่างกายอันใหม่มาร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์คันใหม่ของของใจใจเป็นคนขับรถยนต์ใจเป็นคนขับร่างกายใจก็หัดใช้ร่างกาย ตอนต้นร่างกายมันก็มีมันทำอะไรไม่ได้มันก็นอนอย่างเดียวแต่พอมันเริ่มเติบโตขึ้นมันก็เริ่มมีกำลังจากการที่นอน <c oughs> นอนก็เริ่มหัดลุกขึ้นมานั่งหัดลุกขึ้นมายืนหัดลุกขึ้นมาเดินเอาตัวอย่างของคนที่โตกว่าเรามาเป็นตัวอย่าง <c oughs> เห็นคนอื่นเขายืนเราก็อยากจะยืนเหมือนเขา <c oughs> เห็นเขาเดินเราก็อยากจะเดินเหมือนเขา เห็นเขาทําอะไรก็อยากจะทําอะไรเหมือนเขาเราก็ค่อยๆหัดขับร่างกายหัดสอนร่างกายให้ทําอะไรต่างๆตามความอยากของเราใจนี้ขับเคลื่อนร่างกายด้วยความอยากทุกกิริยาบุตรของการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้มักจะอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนคําสั่งของของความอยากของใจ อยากจะดูอยากจะฟังบางทีนอนเวลาเกิดมาใหม่ๆนอนมองขึ้นไปเพดานก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่เพดานว่างๆก็เบื่อก็ร้องร้องบอกพ่อแม่ว่าให้ทําอะไรให้หน่อยพ่อแม่ก็เอาของเล่นมาให้ดูให้มาแขวนไว้ที่บนบนเวลานอนจะได้เห็นของแปลก เพราะใจมีความหิวกับรูปเสียงต่างๆอยู่นั่นเองถ้าเห็นอะไรจำเจแล้วจะเบื่อจะไม่มีความสุขจะต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนภาพให้เห็นหเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นเวลาได้ของใหม่ๆมานี้จะดีใจจะเล่นกับมันอยู่ไปสักพักหนึ่งพอเล่นไปจนกระทั่งมันเกิดความจำเจเกิดความ เคยชินมันก็จะเกิดความเบื่อขึ้นมามันก็จะไม่อยากเล่นด้วยนะมันก็อยากจะหาของใหม่มาเล่นเนีย่ยใจของพวกเรานี่ขับเคลื่อนด้วยความอยากผ่านทางร่างกายใจเราเป็นคนสั่งให้ร่างกาย <c oughs> ไปทำอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้มีความสุขเพื่อเราจะได้กําจัดความเบื่อนั่นเอง เพราะว่าถ้าเราอยู่กับของเก่าๆของซ้ำๆซากๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่มีความสุขความเบื่อหน่ายนี้มันเป็นความทุกข์เราก็ต้องคอยแก้ความทุกข์ด้วยการหาของแปลกๆใหม่ๆมาให้ใจได้เสกผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะใจชอบดูภาพใหม่ๆได้ยินเสียงใหม่ๆแปลกๆได้สัมผัสกับรถ นแปลกๆใหม่ๆได้สัมผัสกับโผฏฐะแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนี่คือความอยากที่เป็นตัวผลักดันใจให้ใช้ร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆนอกจากฟุรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ให้ไปหาลาบยศรเสริญเพราะถ้ามีลาบมีเงนินมีทอง ก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับตอบสนองความอยากต่างๆเห็นอะไรอยากได้ถ้ามีเงินก็ซื้อมาได้ ท, ทันทีเห็นอะไรได้ยินอะไรอยากชอบอยากได้ก็สามารถถ้ามีเงินก็ซื้อมา ท, าทันทีนอกจากเงินแล้วก็อยากจะมียศมีตําแหน่งมีอํานาจเพราะอํานาจนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสามารถมาตอบสนองความอยากต่างๆได้ ความอยากบางอย่างนี้ใช้เงินซื้อไม่ได้แต่ใช้อำนาจเอามาได้ใจก็เลยมีความอยากได้เงินทองอยากได้อำนาจแล้วก็อยากจะได้ความยกย่องสรรเสริญเยือนยอก็ อ, อยากจะได้รางวีรางวัลต่างๆเวลาเขาประกาศรางวัลเกียรติยศรางวัลตุกตาทองรางวัลอะไรต่าง เหรียญทองอะไรต่างๆเวลาได้กันแล้วรู้สึกมีความสุขกันแต่ความสุขเหล่านี้ที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากการเสพรูปเสียงจิต น, นี้มันก็เป็นความสุขภายใต้กฎของไตาลักนี่ก็เป็นความสุขแบบอ น, นิจจังไม่เที่ยงเวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจ แล้วก็ไม่เคยให้ความอิ่มความพอได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอความอยากแทนที่จะหมดไปกับสิ่งที่เราได้มาแต่ดันกลับไปทำให้เกิดความอยากใหม่ๆขึ้นมาอีกอยากได้มากขึ้นกว่าเดิมได้ตอนต้นได้เป็นได้ยศในสิบก็ดีใจพอใจอยู่พักหนึง่ง แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะได้เป็นนร้อยขึ้นมาอยากนร้อยได้ในร้อยก็อยากจะเป็นใ น, ในพันอยากนพันก็อยากจะเป็นในพลอยากจะเป็นหัวหน้าพอเป็นหัวหน้าก็อยากจะเป็นไปนานๆพอเวลาไม่ได้เป็นก็เสียใจทุกข์ใจความอยากต่างๆที่ความอยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ มันจะพาไปจบที่ความทุกข์ใจไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่แน่นอนบางทีเพียงแตอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ใจแล้วแต่บางทีอยากได้ได้มาแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยปกป้องแต่ปกป้องอย่างไรดูแลรักษาอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นกฎอันนี้จัง ว่ามันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงมันจะต้องมีวันจบลงไม่ช้ากเ็เร็วพอมีการสูญเสียมีการสิ้นสุดลงของสิ่งที่เราได้มาความทุกข์ใจก็เข้ามานี่คือ <c oughs> สิ่งที่ใจของพวกเราทุกคนนี้ <c oughs> ติดกันหากันอยู่ก็คือความสุขผ่านทางร่างกาย ความสุขที่ได้จาก <c oughs> ราบยกสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าสิ่งที่จะมาให้ความสุขและสิ่งที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุข คือร่างกายก็เป็นของไม่แน่นอนสิ่งที่เราอยากได้ก็ไม่แน่นอนแล้วเครื่องมือคือร่างกายของเราก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่จะต้องค่อยๆชำรุดทุดโทรมลงไปตามการตามเวลาร่างกายของพวกเราทุกคน <ês. S 1> จะต้องค่อยๆแก่ลงไปแล้วก็จะต้องมีช่วงที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วงที่แก่และเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรู้สึกว่ายาก ต่อการที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภาพมาเสพกันเมื่อไม่สามารถหาได้หรือหาไม่ได้อย่างเต็มที่ความทุกข์ใจก็ปรากฏขึ้นมาอีกนี้คือความทุกข์ในตายรักเนี่ยซึ่งเป็นความทุกข์อันเดียวกับทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ในอริยสัจสี่ก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจาก ความอยากได้สิ่งต่างๆแล้วไม่ได้หรือสูญเสียสิ่งต่างๆที่ได้มาไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเวลาอยากได้ราบยศสนเสริญสุขพอไม่ได้ก็ทุกข์ใจพอได้มาก็ดีใจไปชั่วข่าวแล้วพอเวลาสูญเสียไปก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้น <c oughs> โดยสรุปก็คือวิธีหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางสิ่งผ่านทางความสามารถของร่างกายคือการได้ราบยศสรรเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพชนิดต่างๆนี้ <c oughs> ล้วนเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะต้องเป็นความสุขที่ ค่อยๆยากขึ้นไปตามลําดับเวลาที่ร่างกายเริ่มมีอายุมากขึ้นหรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการขึ้นมาสมรรถภาพความสามารถ <c oughs> ในการหาความสุขตามความอยากก็จะยากขึ้นไปความยากก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือสภาพของการหาความสุขของสัตว์โลก <c oughs> ที่ไม่มีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกว่ามันไม่ได้เป็นการหาความสุขมันเป็นการไปหาความทุกข์ทั้งนั้นมันอาจจะเป็นความสุขสุขต้นแต่จะทุกข์ลายเพราะว่าสิ่งที่ได้มา เวลาได้มาก็สุขแต่มันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่ไม่มีใครรู้เวลามันไม่อยู่หรือเวลามันอยู่แต่มันเปลี่ยนไปเวลามันเปลี่ยนไปแทนที่ให้ความสุขกับเรามันก็ให้ความทุกข์กับเราได้เช่นรถยนต์นี่เวลาเราซื้อใหม่ให ม, ใหม่มันก็ดีใช้ได้งะเวลาต้องการจะใช้มันก็ตอบสนองความต้องการของเรา แต่ต่อไปใช้ไปใช้ไปมันพอมันเริ่มเก่าลงมันก็เกิดอาการชำรุดเกิดการสูญเกิดการเสียหายเวลาจะใช้มันบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ขึ้นมานี่เรียกว่ามันเปลี่ยนไปละเปลี่ยนจากสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ในการที่จะทําหน้าที่รับใช้เราแต่เมื่อเวลาผ่านไป ของทุกอย่างมันจะต้องเสื่อมลงตามตามการตามเวลา <c oughs> พอมันเสื่อมลงการจะตอบสนองความอยากความต้องการของเราก็า จ, จะไม่สามารถทำได้เ <c oughs> พราะมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากของที่ดีกลายเป็นของที่เสียสังเกตโดยเวลาที่ลถเราเสียนี่มันให้ความสุขกับเราหรือมันให้ความทุกข์กับเรา พอรถเสียแล้วมันก็ต้องทุกข์แล้วทุกข์กับการที่จะต้องไปซ่อมมันทุกข์กับการที่จะต้องเสียเงินมาจ่ายเพื่อมาซ่อมรถยนต์อันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างของสิ่งต่างๆที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นของที่ไม่ที่มีดวงวิญญาณหรือไม่มีดวงวิญญาณก็เป็นเหมือนกันคนที่เราได้มาก็เป็นเหมือนกัน คนเราเวลารู้จักกันใหม่ๆก็มักจะมีความเกรง อ, อกเกรงใจกันมักจะทำอะไรที่ดีต่อกัน mm hmm. แต่พอรู้จักกันนานขึ้นนานขึ้น mm hmm. ถ้าสนิทสนมอยู่ mm hmm. เข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วความเกรงใจมันก็จะหายไป mm hmm. ใจที่เคยดี mm hmm. ก็อาจจะกลายเป็นใจที่ไม่ดีขึ้นมาได้ mm hmm. เปลี่ยนได้ mm hmm. อันนี้ mm hmm. เวลาเขาเปลี่ยนจากดีมาเป็นไม่ดี มันก็ทำให้เราเสียใจได้เช่ <c oughs> <c oughs> นลูกของเราตอนที่ตอนที่เป็นเด็กเล็กนี่ <c oughs> ก็ว่านอนสอนง่ายสอนให้เขาทำอะไร <c oughs> เขาก็ทำตามเราแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นโตขึ้ น, นเขาเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวเป็นตนของเขาขึ้นมาเขามีความรักความชอบความไม่ชอบสิ่งต่างๆขึ้นมา เวลาเราไปบอกให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาก็า จ, จะไม่ทำตามที่เราบอกก็ได้นี่แสดงว่าเขาเปลี่ยนไปตอนเป็นเด็กเล็กนี่บอกให้ทำอะไรก็ทำตามเชื่อฟังแต่พอเริ่มโตขึ้นก็เปลี่ยนไปหรือว่าสามีภรรยาเวลารู้จักกันพบกันใหม่ๆก็เอาอกเอาใจกันแต่พออยู่กันไปเรื่อยๆความเอาอกเอาใจกันก็จะน้อยลง ความเอาใจตัวเองก็จะมากขึ้นเริ่มเกิดการเปลี่ยนขึ้นมาเวลาใหม่ๆเวลาที่ต้องการกันพึ่งพาอาศัยกันก็ต้องเกรงใจกันต้องเอาอกเอาใจกันแต่พอได้มาแล้วทีนี้ก็เริ่มอยากจะเอาอกเอาใจตัวเองมากขึ้นก็จะไม่เกรงใจจะไม่เอาอกเอาใจคู่ครองของเราก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เวลาใหม่ๆดีเหลือเกินพูดอะไรก็เห็นด้วยทุกหมทุกอย่างทาอะไรชวนทำอะไรก็ทำด้วยทุกอย่างแต่พออยู่ไปนานๆานเข้าเริ่มมีความเห็นไม่เหมือนกันแนละ้ว mm hmm. ชวนให้ไปทำอะไรบางทีก็ไม่อยากจะไปทำด้วยนะเ mm hmm. นี่ะเรียกว่าอนิจจังเป็นการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไป mm hmm. มันก็เลยทำให้เราทุกข์ นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาความสุขจากลาบยศชรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์พระชนิดต่างๆเพราะความหลงหลงค・อ็องความหลงก็คือการมองไม่เห็นอนิจจังการมองไม่เห็นอนัตตานั่นเองมองไม่เห็นทุกขังกลับไปมองเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเห็นสิ่งแต่เห็นลาบยศรละเสริญสุขว่าเป็น นิจังสุขขังอัตตาเป็นของที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นของที่อยู่กับเราอย่างถาวรให้ความสุขเรากับเราไปตลอดไม่มีวันพัดพาคจากเราไปจะต้องอยู่กับเราคู่กับเราเป็นของกับเราไปตลอดตลอดนี่แหละคือตัวโมหะหรืออวิชชาที่ครอบงาใจของพวกเราทุกคนที่ทำให้เรามองเห็นกับตาลปัด เห็นกองจากเป็นดอกบัวเห็นทุกว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรา <Yeah. S 1> มันก็เลยทำให้ชีวิตของเรานี้ต้องคอยกําจัดความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรามันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเอง ต่อให้เราแก้ปัญหานี้ด้วยการหาสิ่งแปลกใหม่ๆม่าแก้อยู่เรื่อยๆแก้เท่าไหร่มันก็เหมือนกันหมดมันเป็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาพอเรามีปัญหากับคนนี้เราก็เลิกกับคนนี้แต่เราก็ไปหาคนใหม่คนใหม่มันก็เป็นเหมือนคนเก่าเนี่ย คนใหม่มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราไม่มีปัญญาเราก็จะเห็นว่าคนใหม่นี้ต้องเป็นนิจจังสุขขังอัตาต้องดีกว่าคนเก่าแล้วอยู่ไปด้วยกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เห็นผลขึ้นมามันก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนอยากดีมันก็กลายเป็นไม่ดีขึ้นมาได้ น, น, นี้แหละคือความสุขที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มี คำสั่งคำสอนของพอระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกว่าวิธีหาความสุขแบบนี้มันจะพาให้เรานี้ต้องไปเจอความทุกข์เพราะโดยธรรมชาติของต่างๆในโลกนี้มันจะต้องทุกข์มันจะต้องให้ความทุกข์กับเราทุกเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทุกว่าทุกเพราะว่ามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้บังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ บังคับให้มันให้ความสุขกับเราอย่างเดียวไม่ได้มันดีคืนดีความสุขที่มันให้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เ mm hmm. ช่นรถยนต์ที่เราใช้พาเราไปไหนมาไหนให้ความสุขกับเรามันดีคืนดีมันอาจจะหายไปก็ได้เนื mm hmm. ่องเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาก็ได้พังขึ้นมา mm hmm. ความสุขที่ได้จากการมีรถยนต์ก็จะหายไป ความทุกข์ก็จะตามมา ท, าทันทีนี่แหละเป็นเรื่องของจิตใจของสัตว์โลกที่ขาดปัญญาขาดสัมมาทิฏฐิที่ไม่เห็นไตรลักษณ์ในโลกกะระทำคือสิ่งทั้งหลายทั้งตัวงที่มีอยู่ในโลกนี้เราเรียกว่าโลกกะระทำซึ่งพระเจ้าก็ก็แบ่งไว้เป็นสี่อย่างคือลาบยศสรรเสริญ และความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผุดภะชนิดต่างๆของเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจนจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นนิจจังสุขขังอนัตตา mm hmm. ถ้าเราไม่อยากจะเจอกับความทุกข์เราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการหาสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราให้ได้ mm hmm. เพราะว่า <c oughs> มันจะทำให้เราจะต้องไปเจอความทุกข์ในบนในในภายหลังตอนต้นมันก็เป็นความสุขแต่ไม่ช้าก็เร็วความสุขนั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่สิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปและเราไม่สามารถเอามันมาให้ความสุขกับเราได้ตอนนั้นใจของเราก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ไป นี่คือความทุกข์ของสัตว์โลกอย่างพวกเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะใหญ่โตนี่จะเล็กตกอยู่ภายใต้สภาพอันเดียวกันนัะ้เพราะหาหาสิ่งหาสิ่งเดียวกันทนะั้งคนรวยก็หาราบยศสารสิญสุขคนจนก็หาราบยศสรรสิญสุขเมื่อหาสิ่งหาสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันก็ต้องได้อานิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะต้องได้การเปลี่ยนแปลงจะได้มันก็จะต้องได้ความทุกข์จะได้อนัตตาคือมันจะได้สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้บังคับให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้บังคับให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเปลี่ยนแล้วพอมันเปลี่ยนแล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์ นี่นี่สิ่งนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในโล ก, กธรรทในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือราบยศสรรสญและรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนิสต่างๆถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เนี่ย เราต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระพุทธเจ้าเ mm hmm. บื้องต้นท่านก็จะบอกให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน mm hmm. อย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ mm hmm. ไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่า mm hmm. การปฏิบัติธรรมที่จะให้ความสุขกับเรานี้ mm hmm. ก็มีอยู่สามระดับด้วยกันที่เรียกว่าทานศีลภาวนา mm hmm. อันนี้ก็เป็นวิธีการหาความสุขให้กับใจอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากการหาราภยศสรรเสริญสุขและผลที่ได้รับจากการหาความสุขจากทานสินภฆวนานี้ก็จะต่างจากการหาความสุขจากราภยศสรรเสริญสุขเพราะการหาความสุขจากทานสินภฆวนานี้มันจะอยู่กับใจไป เป็นเวลาอันยาวนานและมันจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจมันจะคอยแต่ให้ความสุขกับใจนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขที่อยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็ไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความเสียใจให้กับเราให้เราหันมาหาความสุขจากการทาทานทาบุญทาทานจากการรักษาศีลและจากการภาวนา ทำใจให้สงบด้วยสติและทาใจให้สงบด้วยปัญญาตามลำดับต่อไปจะดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วหรือเวลาที่ร่างกายเสื่อมสภาพยังไม่ทันตายแต่เสื่อมสภาพไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขจากลาบยศะะสสรสญสุขได้ ใจก็จะทุกข์แต่ถ้าแต่ถ้าถ้าเราหาความสุขจากทานสินภาวนานี้เราสามารถหาได้ถึงแม้ว่าร่างกายมีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่ชรลาหรือที่กลที่การหรือหรือตายไปความสุขที่เราหาจากทานสินภาวนานี้ไม่ต้องใช้ร่างกายก็หาได้ หรือใช้ร่างกายที่ไม่สมประกอบก็ยังหาได้อยร่างกายเราพิคนพิการร่างกายเราแก่เรายังสามารถหาความสุขจากการรักษาศีลได้เรายังสามารถหาความสุขจากการภาวนาได้อาจจะทําทานไม่ไหวเพราะว่าทําทานบางทีต้องใช้ร่างกายพาไปทำจุ้นแต่สมัยนี้เราก็สามารถสั่งให้คนอื่นทําให้เราได้ ถ้าเรามีเงินทองล้วก็เพียงบอกเขาว่าเอาเงินนี้ไปไปทาบุญที่นั่นที่นี่พอได้ให้เข า, เาไปทำแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานี่ละ ว, วิธีที่เราจะสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจของเราก็ยังสามารถมีความสุขอยู่ในโลกทิพย์ในส่วนที่เป็นสวรรค์ในระดับต่างๆได้ตามกำลังของการทาบุญทำทานรักษาศีลและภาวนาของเรานี่แหละอันนี้เป็นความสุขที่มั่นคงกว่าที่แน่นอนกว่ายั่งยืนกว่าไม่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นี่เป็น เป็นความสุขที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบและทรงได้ปฏิบัติด้วยพระองค์เองจนได้พบความสุขที่ถาวรความสุขเบื้องต้นก็ยังอาจจะเป็นความสุขที่ชั่วคราวอยู่ที่จะค่อยๆจางไปหมดไปได้ความสุขที่เกิดจากการทาบุญทำทานจากการรักษาศีจากการทำใจให้สงบด้วยสตินี้ยังอยู่ใน ในระดับของความสุขแบบชั่วคราวอยู่แต่มันไม่มีปัญหาเวลามันเสื่อมมันก็เราสามารถเติมได้เติมได้ง่ายกว่าการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญแล้วก็มันก็มีเหนือกว่าระดับที่เป็นความสุขชั่วคราวก็มีความสุขที่ถาวรหรือความสุขที่ได้จากการใช้ปัญญา สร้างความสุขแบบทาวรขึ้นมาสร้างความสงบแบบท้าววรขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่พูะเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและได้ทรงปฏิบัติและได้ทรงค้นพบว่าเป็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่ดีเลิศเป็นความสุขที่จะไม่จบไปจบลงไปด้วยความทุกข์แตจะเป็นความสุขที่จบลงไปที่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่าปรามังสุขขังคือนิบาณนิพนิพา น, พานความสุขของพะนิพาณถ้าเรากระทำการหาความสุขจากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนานี่ความสุขในใจนี้มันจะสะสมเข้าไปเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะมันจะกลายเป็นความสุขของพะนิพานไป นิพพานังปรามังสุขถังไปแล้วก็เป็นความสุขที่ทำให้เราเกิดความอิ่มความพอเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่มีความอยากที่จะมาหาความสุขจากลาบยศฉลสริรสุขอีกต่อไป <Yeah. S 1> พอเราไม่มีความอยากที่จะต้องมาหาลาบยศฉเสริรสุขเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีร่างกาย ใจเราก็ยุติการไปท่องหาหาหาพ่อแม่คู่ใหม่แล้วก็รอให้พ่อแม่คู่ใหม่ผลิตร่างกายใหม่แล้วเราก็จะเข้าไปครอบครองอีกต่อไปเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเพราะเรามีวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่เกิดจากการใช้สติและใช้ปัญญา ทำใจให้สงบทำใจให้อิ่มให้พออันนี้พอเราได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติภาวนาในระดับสติในระดับปัญญาได้แล้วต่อไปใจของเรานี้จะไม่มีความอยากอีกต่อไปไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิล่นรสโผฏฐาภะใจของเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีร่างกาย เมื่อไม่มีร่างกายก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการมีร่างกายเพราะเมื่อมีร่างกายแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายและมีการพัดพากจากของที่เราลักของที่เราชอบบุคคลที่เราลักบุคคลที่เราชอบไปแล้วก็ไม่ต้องมาประชิญกับสภาพที่เราไม่ชอบต่างสภาพต่างๆที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนาทุกข์ก็เลยจะไม่มีสําหรับผู้ที่ไม่มีร่างกาย ผู้ที่ไม่มาเกิดมีร่างกายต่อไปถ้าตาบใดยังมีการมาเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังต้องมีร่างกายอยู่ก็ต้องมีความทุกข์อยู่พอมีร่างกายก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายถึงแม้จะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมก็ตามสภาพของเทวดาเหล่านี้ก็จะต้องเสื่อมหมดไปเสื่อมลงมาอยู่ภายใต้สภาพของของการเป็นมนุษย์ใหม่ พอจิตพอกายทิพย์อยู่ในระดับของมนุษย์ก็จะต้องมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่พอมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแบบใดถ้าใจยังหิวยังไม่อิ่มยังไม่พอจะทาให้ใจหิวจะทำให้ใจไม่หิวทำให้ใจอิ่มทำให้ใจพอนี้จะต้องอาศัยการปฏิบัติทานสีลภาวนา ถ้ามีการปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่อย่างต่อเนื่อง<ม>ใจก็จะมีความอิ่มมีความพอเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนถึงระดับที่อิ่มเต็มที่พออย่างเต็มที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว<ม>นั่นก็คือใจที่เรียกว่านิพานนิบานังปรมังสุขขังเป<ม>็นใจที่อิ่มที่พอเต็มเปี่ยมไปได้วยความสุขเติมเหมือนกับ น, น้ำที่มันเต็มแก้ว น้ำที่เต็มแก้วแล้วเทน้ำเข้าไปอีกมันก็จะไม่ทำให้ได้น้ำเพิ่มมากกว่าแก้วที่ขนาดของแก้วน้ำที่เติมเข้าไปที่มันเต็มแล้วมันก็จะร้นออกมาอันใดใจที่เต็มไปด้วยความสุขของพระนิพพานแล้วก็จะไม่ต้องการที่จะเติมความสุขเพิ่มขึ้นอีกต่อไปความอยากที่จะมีความสุขมากกว่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราได้ความสุขของพระนิพพาน ความสุขของพระนิพพานนี้มันนอกจากให้ความสุขแล้วมันให้ความอิ่มความพออันนี้แหละต่างจากความสุขทางลาบยศสรรเสริญสุขความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอมีแต่จะให้ความอยากความหิวความต้องการมากขึ้นได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่น ได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเมื่อยังมีความอยากอยู่จะมีความสุขได้อย่างไรเพราะความอยากก็คือความหิวนั่นเองเวลาหิวกับเวลาอิ่มนี้อันไหนคือความสุขที่แท้จริงถ้ายังมีความหิวอยู่นี่มันก็ยังไม่สุขแต่ถ้าเวลามันอิ่มแล้วนี่มันมันสุขถ้าได้ร้อยหนึ่งแล้วมันพอนี่มันแสดงว่ามันอิ่มแล้วมัน มันพอแล้วแสดงว่ามันเป็นเศรษฐีแล้วแต่ถ้าได้ล้านหนึ่งแล้วยังไม่พอยังหิวอยู่อย่างนี้ <im> ก็แ ส, สดงว่ายังเป็นขอทานอยู่ยังยังอยากได้อยู่ยังไม่เป็นเศรษฐีเศรษฐีที่แท้จริงนี้เขาไม่เขาไม่หิวเขาไม่อยากได้อะไรแล้วเขาถึงเป็นเศรษฐีถ้ายังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่ถึงแม้มีเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่อีกไม่พอก็แ ส, สดงว่ายังเป็นเหมือนขอทานอยู่ ยังอยากได้เพิ่มยังอยากได้นูน่นได้นี่ต่อไป<ม>นี่แหละคือความอิ่มความพอนี้จะหาจากราบยศสรรเสริญไม่ได้ต่ให้เราหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามได้เงินมาใน ร, ระดับไหนก็ตามดูมหาเศรษฐีอันดับหนึง่งสองสามของประเทศถามเขาว่าพอหรือยังมีเงินขนาดนี้ใช้ไปจนวันตายก็ใช้ไม่หมดแล้วยังจะไปหามาเพิ่มอีกทาไม ที่ยังหาอยู่ก็เพราะใจมันยังหิวอยู่ใจมันอยากอยู่อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันทุกข์มันมันหยดเหยียดใจมันลาคาญใจมันก็เลยต้องคอยดิ้นหาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. แล้วการหาก็ต้องสร้างความทุกข์สร้างความเครียดเพราะจะต้องมีอุปสรรคมีมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆที่จะต้องมาสร้างความวิตกสร้างความกังวล mm hmm. สร้างความไม่สบายใจให้อยู่เรื่อยๆ นี่คือลักษณะการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถที่จะหาได้คือร่างกายไม่ไหวแล้วร่างกายไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วถึงจะหยุดทำงานถ้ายังทางานได้อยู่นี่ไม่ยอมหยุดยต้องดินไปเรื่อยๆ แล้วช่วงที่ร่างกายไม่สามารถทําตามความอยากได้ช่วงนั้นต่อให้มีร้อยล้านพันล้านมันก็มาดับความหงุดหงิดความลำคาญใจที่ต้องอยู่เฉยๆไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความอยากที่ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหรือลาบยศสรเสรนี้ไม่สามารถที่จะมาหยุดมันได้เพราะว่าลาบยศสารเสรญสูงนี้มันเป็นตัวกระตุ้นความอยากนั่นเอง ถ้าถ้าอยากแล้วมันก็เป็นเหมือนติดยาเสพติดนี่พอติดแล้วมันต้องเสพอยู่เรื่อยๆเสพไปจนกว่ามันจะตายร่างกายจะตายรับทนกับพิษพิษของยาเสพติดไม่ได้แต่ถ้าจะให้มันหยุดนี่มันหยุดไม่ได้หยุดแล้วมันทรมานคนติดยาเสพติดนี้ส่วนใหญ่จึงเลิกไม่ได้เลิกแล้วมันเวลาเลิกมันทรมานมากเวลาที่ไม่ได้เสพ นั่นน่ะนี่แหละคือสภาพของผู้ที่ติดลาบยศเสรเสริญสุขไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตกอยู่ในสภาพของเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่สามารถที่จะไปหายาเสพติดมาเสพได้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเวลาที่ร่างกายแก่ก็ดีเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเวลาที่ร่างกายพิกลพิการก็ดี เวลานั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นไทยก็ตามจะเป็นใหญ่โตขนาดไหนจะเป็นล่ำรวยขนาดไหนจะได้จะเคยได้รับรางวัลม า, มามากน้อยเพียงไรก็ตา่างพออยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะไปหาราบยศสรรเสริญสุก์มาให้เสพได้แล้วช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพนั่นแหละมันจะหงดหยิดลำคาญใจมันจะไม่สบายใจ สิ่งต่างๆที่หามาได้มีมากมีน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถมาดับความหงุดหงิดดับความไม่สบายใจได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนหรือปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าถ้าเป็นมหาเศรษฐีแล้วไม่สามารถที่ไปหาลาบยศสารเสริญสุขได้แล้วลองมาทำทางที่พระเจ้าสอนทาดูเอาเงินที่ ที่ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้นี้เอามาทําบุญทําทานดูสิแล้วจะเกิดความสุขใจขึ้นมาจะคลายความหงุดหงิดคลายความลาคาญใจจากการที่ไม่ได้ไปหาราบยศสรรเสริญได้ทําบุญทําทานรักษาศีลอย่าไปทําบาปแล้วก็มาฝึกจิตทําจิตให้สงบด้วยการจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ ถึงแม้ร่างกายจะไม่สามารถไปทำหารากยศเสรเสริญได้ก็ยังสามารถมาใช้ในการปฏิบัติธรรมได้จะนั่งอยู่จะไม่สามารถเดินเองได้ก็ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายในการที่จะทำให้ใจสงบสิ่งที่จะทำให้ใจสงบก็คือสติและการใช้สติก็เป็นการใช้ที่ไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ให้เราเราถึง คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าเราสามารถเล้วกลถึงพุโทโธพุธโทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่นานนะ้านาที1ินาทีไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจก็จะนิ่งสงบขึ้นมาได้แล้วใจก็จะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นราบยศรเสริญสุขในระดับไหนก็ตาม มันจะสู้ความสุขที่ได้จากการเจริญสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อทำให้ใจนิง่งให้ใจหยุดคิดให้ได้เ mm hmm. วลาใจหยุดคิดแล้วใจจะนิง่งใจจะสงบใจจะมีความสุขขึ้นมา ท, าทันทีเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งในขณะนั้นอาจจะหาไม่ได้แล้วก็ได้ พรร่างกายนี้มันเสื่อมสภาพไม่สามารถที่จะไปหาราบยุศเสรเิญหาความสุขอย่างรูปเสียงกลิ่นล้นได้แต่ถ้าเรามีสติพอที่จะควบคุมใจให้สงบได้ควบคุมใจไม่ให้คิดได้นั่งพุทโธพุทโธไปนั่งอยู่ในวิวแชก็พุทโธได้พุทโธพุทโธพุทโธไปนอนอยู่บนเตียงก็พุทโธพุทโธไปได้พุทโธพุทโธเพื่อให้มันหยุดคิดให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิด ถ้าพอพอม่นไม่คิดได้อย่างต่อเนื่องสักห้านาทีสิบนาทีใจก็จะนิ่งขึ้นมาจะสงบขึ้นมาแล้วก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหมือนกับราบยศสรรเสริญถ้าถ้าหาความสุขจากราบก็ต้องมีราบ หาความสุขจากยศก็ต้อง od, มียศมีตำแหน่งหาความสุขจากการสรรเสริญก็ต้องมีการสรรเสริญอยู tissues, 100, ah, age, ่เรื่อยๆหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้ก็ต้องมีรูปเสียงมากคอยป้อนให้อยู่เรื่อยๆหรือเวลาถ้าเวลาไม่มีสิ่งเหล่านี้มาป้อนหรือไม่มีความสามารถที่จะไปหามันมาเสพได้เวลานั้นก็เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดที่ไม่ได้เสพยานั่นเองใจก็จะทรมานใจก็จะไม่มีความสุข แต่ถ้าเรามาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ราบยศฉลเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกิ่นรสเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเราไม่สามารถไปหาราบยศฉลเสริญสุขได้เพราะเราสามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากและเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้การระลึกคาว่าพุทโธพุทโธเพียงคาเดียวนี้มันยากตรงไหนมันไม่ยากเลย ลองทําดูสิลองนั่งหลับตาแล้วก็นั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปเวลามีความคิดอะไรเข้ามาก็อย่าไปตามมันอย่าไปคุยกับความคิดกลับมาที่พุโทโธต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งกับความคิดความคิดจะปรากฏขึ้นมาก็ไม่สนใจข้าพเจ้าจะอยู่กับคำ ว, ว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนถ้าทําอย่างนี้ได้เดี๋ยวเราจะได้เห็นความความมาสจัใจของความสงบ เห็นความมาสนใจของใจของเราเองเห็นความหลงของเราเห็นความโง่บัดซบของเราที่ดันไปหาสิ่งที่มันยุ่งยากแล้วก็กลายเป็นความทุกข์มาให้ความสุขกับเราทั้งๆที่เรามีของวิเศษอยู่กับตัวเราคือความสงบของใจเรานี่ที่จะเกิดขึ้นจากการทําใจให้สงบเบื้องต้นก็ทําให้สงบด้วยสติซึ่งก็เป็นความสงบแบบชั่วคราวไปก่อน เวลามีสติใจก็จะสงบเวลาใจเผลอสติใจก็จะ <c oughs> หายจากความสงบเพราะว่าเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสรญนั่นเองเพราะว่าความอยากยังไม่ได้ตายจากการมีสติทำใจให้สงบพอไม่มีสติใจไม่สงบความอยากที่จะไปหาลาบยศสรรเสิญมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ วิธีที่จะทำให้ความอยากเหล่านี้หายไปก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่เห็นตายลักในลาบยศสารเสิญสุขเองเห็นว่าลาบยศสารเสิญสุขเป็นตายลักเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะนำไปสู่ความทุกข์เป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นตายลักเราก็จะเลิกหาความสุขจากลาบยศสารเสิญสุขได้อย่างถาวร แล้วต่อไปความอยากเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกถ้าเห็นด้วยปัญญาแนละ้วและเมื่อไม่มีความอยากขึ้นมาความสงบมันก็จะสงบต่อไปโดยเป็นโดยธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นใจไม่สงบเพราะความอยากพอความอยากถูกกำจัดหมดไปความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างถาวรนี่แหละคือความสงบของพระนิพพาน ที่เกิดจากการได้กำจัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาพอาความอยากต่างๆหายไปหมดความสงบก็จะสงบไปอย่างถาวรไม่มีที่สิ้นสุดความอิ่มความพอก็จะปรากฏขึ้นมาความอยากที่จะไปเกิดไปแกไปเจ็บไปตายก็จะยุติลงการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็จะสิ้นสุดลงนี่คือวิธีการหาความสุขของพระพุทธเจ้า คือการปฏิบัติทานสิงภาวนาที่พระเจ้าทรงชวนให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมชาวพุทธเราให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรดให้มาหาความสุขจากการทำทานรักษาสิง์ภาวนากันแล้วจะได้ความสุขที่แท้จริงและถาวรต่อไปการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผร อ, อยะถ า, าวาริวาหาปูร า, าริปูเรนติสาขลังเอวมเมวะอิตตจินังเปตานาังอุ ป, ปกปกปิยิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวสมนิจโตสาปุโหรุตุสังกปา จันโทปะนาราสยถามะนิโชติอะราสุยถาสัพพิติยวิวาจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานัสสิลิศะนิจังวุธาปจายโน จตารุธรรมวทันติอายุวนสุขังภาลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะจะเป็นช่วงเดียวที่สะดวกหลังจากนั้นแล้วจะไม่สะดวก วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 401ท่าน YouTube ประสุชาติไลฟ์267ท่าน YouTube ดรว72ท่านวิทยุออนไลน์12ท่านคลับเ o าส e 15ท่านนากุณติ141ท่านรวมทั้งหมด908ท่านครับพระอาจารย์ <c oughs> มีคำถามจากนากุฏิค่ะ นั่งสมานั่งสมาธิทุกวันใช้เวลาสามสิบถึงหกสิบนาทีต่อครั้งจิตไม่เคยรวมเลยควรจะทำอย่างไรต่อไปคะแล้วจะได้รับบุญหรือไม่เจ้าคะเท่จิตไม่รวมเพราะสติมีกาลังไม่มากพอไม่ได้อยู่ที่เวลาถ้าสติมีกำลังมากพอในห้านาทีจิตก็รวมได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามสร้างสติให้มากขึ้น วิธีสร้างสติก็ต้องสร้างตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาลืมตาขึ้นมาก็ให้นึกถึงพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ายัางไม่มีความจำเป็นอย่าต้องคิดเป็นเวลาที่เราเตรียมตัวอาบน้ำน้างหน้าแต่งฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเป็นเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเวลานั้นเราก็พยายามใช้พุโทโธพุโทโธคอยห้ามความคิดไว้ ถ้าเราคอยห้ามความคิดอยู่เรื่อยๆเวลามานั่งสมาธินี่มันก็จะทําให้ใจสงบได้ง่ายได้เร็วเป็นจากคุณอัจชาราค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ลูกฟังเทศอยู่ที่บ้านถึงช่วงถวายของลูกอนุโมทนาสาธุได้บุญหรือไม่เจ้าคะก็บุญที่ได้จากอนุโมทนามันไม่เหมือนกับบุญที่เราถวายของเองบุญที่ถวายของเองเรียกว่าทาน แต่บุญที่เราได้จากการยินดีกับการทำบุญทําทานของผู้นี้เรียกว่าอนุโมทนาเป็นบุญคนอย่างกันจากคุณบ b บค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์การที่มองสิ่งต่างๆเป็นไตรักเห็นคนหน้าตาดีแล้วมองเป็นอสุภะนึกถึงความตายว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะอันนี้ถือเป็นการเจริญปัญญาหรือไม่เจ้าคะเป็นการเจริญปัญญา แต่เราต้องรู้เป้าหมายของการเจริญปัญญาว่าเพื่อคลายความหลงคลายความอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปหลงอยากได้มาให้ความสุขกับเราเพราะวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปพอมันเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้เราเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาหมดแล้ว จ, วจ้าค่ะหมดแล้วเหรอคือการพิจารณาปัญญานี้เป็นเครื่องมือ เป้าหมายที่แท้จริงก็คือเราต้องการที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับอะไรต่างๆถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าสิ่งต่างๆที่เราไปรักไปหลงไปชอบนี้จะต้องมีการเปลี่ยนไปหรือมีการจากเราไปพอเรารู้ว่าจะต้องมีการจากการเปลี่ยนกันเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พอเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาจากเราไปเราก็จะได้ไม่เสียใจแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่คอยสอนใจว่า ของต่างๆในโลกนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนเราคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงพอเกิดเขาเปลี่ยนไปหรือจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาจากคุณบัญชาค่ะใช้บริกา ร, รพุทโธใช้แบบถี่ๆหรือดูลมหายใจครับพระอาจารย์แล้วแต่เราจะเราจะถนัดหรือชอบหรือแล้วแต่ภาวะของใจ บางทีไม่จาเป็นจต้องใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้คำบริกรรมพุทโธไปถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธก็ดูว่าใจเราเป็นอย่างไรถ้าใจเรามันวุ่นวายอาจจะต้องใช้บริกรรมให้มันเร็วขึ้น mm. ถ้ามันไม่มันไม่วุ่นวายมันมันค่อนข้างจะสงบแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้อง บ, บริกรรมให้มันเร็วก็ได้ ถ้าดูลมก็ไม่ต้องบริการพุทโธก็ได้ดูลมก็ต้องดูในช่วงที่ใจมันสบายใจมันเย็นถ้าใจมันไม่สบายใจมันไม่เย็นจะดูลมลาบากช่วงที่ใจไม่สบายไม่เย็นก็ใช้พุทโธหรือถ้าดูพุทใช้พุทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดนิติปิโสไปหลายๆจบก่อนจนกว่าใจเราจะเย็นลงจะสบายขึ้นแล้วเราก็ามาดูลมหายใจต่อ จากคุณประถมพงศ์ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าจิตเรามีความสุขมีความสำเร็จแล้วเราพอใจอยู่กับสภาวะแบบนี้อยากให้ใจเรามีสภาพแบบนี้ไปนานๆเราจะมีวิธีปฏิบัติต่อไปยังไงหรือว่าแก้ยังไงดีครับเราก็ต้องมั่นใจว่าใจเรานี้จะต้องสามารถอยู่กับทุกสภาพให้ได้ตอนนี้เรามีความสุขว่าสภาพที่เราอยู่ด้วยมั น, มน มันไม่แร้นแค้นมันไม่เดือดร้อนเราก็มีความสุขได้แต่โลกเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่ไม่มีอะไรที่จะที่จะแน่นอนจะที่ยถาวรมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้วันนี้ร่ำรวยขึ้นมาพรุ่งนี้อาจจะไปยากจนขึ้นมาก็ได้เหตนั้นถ้าเราวันนี้มีความสุขจากความร่ำรวย เราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราต่อไปถ้าเกิดเรายากจนขึ้นมาเรายัางจะมีความสุขได้หรือไม่ <S <S <S ถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถรักษาใจของเราให้มีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของความร่ำรวยหรือของความยากจนอันนี้คือข้อสอบที่เราจะต้องเอามาสอนใจเราแล้วก็ดูว่าทำได้ไหมทาใจได้ไหม จาก YouTube ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับการที่เราพยายามชนะกิเลสโดยขัดใจบ่อยๆเช่นเวลาที่อยากกินอาหารในร้านดีๆเราก็กินอาหารแบบง่ายๆธรรมดาแทนควบคู่กับการเจริญสตินั่งสมาธิจะทำให้กิเลสอ่อนกำลังลงไหมครับก็ลองทำดูสิมันน่าจะอ่อนลงแต่อยู่ที่ว่าเราจะกล้าทำบ่อยไหมอาจจะทาแค่ครั้งสองครั้งเดยวก็ทนไม่ไหวกับความเรียกร้อง ถ้าจะทำต้องทำแบบต่อเนื่องแบบแบบแบบแบบไม่กลับไปทำแบบเดิมจากคุณบีบีค <c oughs> ่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่เราปฏิบัติทานศีลภาวนาพ่อแม่จะได้บุญด้วยหรือไม่เช่าคะอันนี้เป็นเรื่องของใครของมันให้แบ่งให้คนอื่นไม่ได้ถ้าแบ่งได้พูะเจ้าก็แบ่งนิพพานให้พวกเราหนูเราก็ไม่ต้องทำอะไร การเป็นเรื่องของการเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานแทนกันไม่ได้ทุกคนต้องรับประทานอาหารเองอันในการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็เป็นการให้อาหารกับใจก็ต้องใจของใครก็ต้องให้เป็นคนให้ของใจของคนนั้นไปจะให้ของแทนกันไม่ได้จากคุณดวงเดือนมีสองข้อเจ้าค่ะข้อที่หนึ่ง าราวว่าผู้รู้ธรรมสามารถจะสอนพระเนนบางรูปหรือประชาชนผู้สนใจในธรรมทั่วไปให้เข้าถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอนาคามีได้หรือไม่เจ้าคะก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ศึกษาเขาจะมาขอเรียนจากเราหรือไม่ถ้าเขามาขอเรียนก็สอนได้ไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเรามีความรู้ที่สามารถสอนเขาได้ก็สอนได้ แต่เราต้องมั่นใจว่าความรู้ของเรานี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นความรู้จริงเห็นจริงไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนการเรียนนี้ยังเป็นความรู้ที่ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่ควรที่จะเอาไปสอนใครควรยามาสอนตัวเราก่อนเอาความรู้ที่เราเรียนมานี้มาสอนตัวเราด้วยการไป น, นาเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาก่อน เมื่อเราได้ผลจากการปฏิบัติแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะมาขอขอเรียนจากเราเราก็สอนได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามข้อสำคัญก็คือเขาต้องมาขอเราอย่าไปขอเขาเป็นครูเขาอย่างนี้ไม่ถูกขอสอนหน่อยนะอย่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> แต่ถ้าเขามาขอขอถามหน่อยคะ่ะว่าวิธีนี้จะทำยังไงถึงจะได้เกิดผลขึ้นมาถ้าเรารู้วิธีเราก็บอกเขาได้ ข้อสองค่ะถ้าสอนได้สามารถประกาศบอกให้คนทั่วไปรู้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นอริยะขั้นนั้นขั้นนี้ได้ไหมเจ้าคะถ้าคําถ า, คถามโยไม่สมควรต้องขอกลับอภัยพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเรื่องของการบรรลุธรรมนี้มันก็เป็นเรื่องของของของส่วนตัวซึ่งการไปประกาศนี้มันอาจจะกลายเป็นกิเลสขึ้นมาก็ได้โดยมรรลุเสึกตัวเพราะอยากจะให้คนเขารู้ว่าเราบรรลุ ถ้ายังมีความอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเราบรรลุมันก็อาจจะบอกว่าเราไม่ได้บรรลุจริง ก, ก็ได้เป็นความบรรลุที่เกิดจากความคิดของเราเพราะฉะนั้นเพื่อความเพื่อความเน้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความป้องกันกิเลสก็อย่าไปประกาศดีกว่าเขารู้เองว่าเราจะอยู่เราบรรลุหรือไม่บรรลุเดี๋ยวเขาได้ยินได้ฟังได้ดูวิธีการปฏิบัติของเราวิธีสั่งสอนอะไรของเราแล้วเขานํามาไปปฏิบัติแล้วเขาเกิดผลขึ้นมา เขาก็จะรู้ของเขาเองอันนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประกาศคุณคันชิตค่ะนั่งฟังคาหลับตาทำไมมีสีเขียวสีแดงสาเหตุเกิดจากอะไรครับอใจเราผลิตบูงแต่งขึ้นมาใจเรานี่สามารถผลิตอะไรต่างๆได้ในมนโนในในจอภาพใจพอหลับตานี่เดี๋ยวจะผลิตผีขึ้นมาก็ได้ดวงวิญญาณก็ได้โครงกระดูกขึ้นมาก็ได้ ของหน้าดูหน้าชมก็ได้มันใจนี่เป็นผู้สามารถสร้างภาพลวงมาหลอกเราได้ทุกรูปแบบดังนั้นเราอย่าไปสนใจเวลาเรานั่งหลับตาถ้าเราฟังธรรมก็ให้สนใจอยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวถ้านั่งสมาธิก็ให้มีใจอยู่กับลมและอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับภาพต่างๆหรือแสงต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ กับเรียนถามว่าถ้าเราถือศีลแต่ยังมีความจำเป็นต้องนอนฟูกงหนาหนาศีลแปดจะครบไหมเจ้าคะถ้าตามความเป็นจริงก็มันก็ไม่ครบ เ, เพราะศีลแปดไม่ต้องการให้เรานอนบนเตียงที่สบายเพราะกลัวเราจะนอนมากเกินไปอยากจะให้นอนพอพักผ่อนร่างกายได้ก็พอแล้วจะได้เอาเวลาที่เอาไปใช้กับการหลับนอนเกินไปนี่มาให้กับการปฏิบัติธรรม คุณจิรภัฒน์คะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจําเป็นหรือไม่คะว่าเราต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งค่ะ อ, อ๋อไม่จําเป็นนะแล้วแต่ภาวะของใจของแต่ละคนเวลาจะนั่งสมาธิถ้าใจยังวุ่นวายอยู่ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดให้ใจเย็นให้ใจสบายก่อนแล้วค่อยามานั่งสมาธิดูลมนล้พุทโธต่อไปจากคุณนันทภาคน์คะ กับสอบถามพระอาจารย์ค่ะอุเบกขาเกิดได้จากการนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือไม่คะใช่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วเกิดจากการใช้ปัญญากาจัดความอยากต่างๆถ้าปัญญาเกิดความอยากแล้วเราสามารถใช้ปัญญาหยุดมันได้อุเบกขาก็จะเกิดขึ้นมานัน้หลังจากที่ความอยากหายไปคำถามจากทางช่องดอกตอร์วีค่ะ เราฟังธรรมทุกเช้าเย็นและเวลาว่างจนสามารถตัดความอยากได้หลายอย่างคือว่าพอจะบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะก็อย่าไปสนใจแล้วพอไม่พอถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็ต้องคอยกำจัดไปเรื่อยๆจนกว่า ม, มันจะหมดนะมันจะถือว่าบรรลุธรรมได้ไถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็คอยกำจัดไปเรื่อยๆนะเหมือนกับเวลาเราไม่สบายเรากิน เราเป็นไข้เรากินยาไม่สองไม่ก็เริ่มรู้สึกอาการดีขึ้นก็อย่าเพิ่งหยุดกินยากินไปเรื่อยๆจนกว่าอาการไข้หายไปหมดเลยแล้วเราก็หยุดกินยาหมดแล้วเจ้าค่ะ<า>ไม่มีแล้วเหรอเจ้าค่ะโอเคถ้าเช่นั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเ พ, พินิจพิจารณาไปปฏิบัติ